พันปองก็เลยบัญญัติอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการเพื่อความอะไรเพื่อความรับว่าดีแห่งสองเพื่อสําราญแห่งพระพิสุสง์เพื่อคมบุคคลเพื่อก้วยยากเพื่ออยู่สําราญแห่งพิสุผู้มีศีลอันเป็นที่รักนะเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อป้องกันอาสวะที่จะมีต่อไปในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมเพื่อถือตามพระวินัยหรือเพื่ออนุเคราะหวินัย พระองค์ก็เลยบัญญัติว่าพระภิสูรรูปใดพระของเขียวเนี่ยนะเป็นปาจิตติหรือเป็นปาจิตติเพราะพระภูตคามคือต้นไม้นะพระต้นไม้ก็ถือว่าเป็นอบัติปาจิตติอย่างนี้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมแก่พิสูจน์ทั้งหลายที่มาในที่นั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสคาถาว่าคาถาไหนก็คาถาที่ตรัสว่าผู้ใดแลย่อมกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้ว เหมือนหมองูที่กำจัดพิษงูที่ซ่านไปด้วยโอสดฉะนั้นภิกษุนั้นเชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่ค่ําคร่าแล้วฉะนั้นเรื่องเดียวกันเนี่ยนะเรื่องเดียวกันคือเหตุการณ์เนี้ยมีการแสดงหรือมีการส่งเคราะห์เอาไว้ในสามคำพีคือหนึ่งในพระวินัยปาจิติกันสองในคำพี คาถาธรรมบทสามในสุตตานิบาตคือคัมภีร์ที่เรากําลังเรียนนี่พันเรื่องเดียวเนี่ยนะมีการแสดงเอาไว้ตามที่ต่างๆสรุปว่าหัวข้อที่ถามว่าคาถานี้ใครกล่าวก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสเอาไว้พระองค์ผู้สังสมบารมีมาเนี่ยพระองค์แสดงไว้แสดงที่ไหนแสดงที่เมืองอรารวีแสดงเมื่อใดเมื่อพระพิสุตัดต้นไม้เพราะเหตุใดนะ แสดงเพราะตัดต้นไม้แสดงเมื่อบัญญัติศิขาบทเนี่ยนะข้าพเจ้าจาักประกาศวิธีนี้แล้วอธิบายความแห่งคํานั้นคือถ้าทัศรู้ความเป็นมารู้ความเป็นไปรู้สาเหตุเราก็จะทำให้เข้าใจพระธรรมมากยิ่งขึ้นพระอัตรกถาท่านอยากให้เรารู้อยากให้เข้าใจความเป็นไปเป็นมาจะได้เข้าใจเนื้อยิ่งขึ้นท่านก็จะแสดง ทีนี้ข้อความที่อธิบายโดยลำดับเนี่ยนะถ้าเป็นบาลีเนี่ยถ้าใครไปดูหน้าแปดหน้าแปดวโยจะอุปติตังวิเนติโกทังเนี่ยนะที่แปลว่าผู้ใดจริงๆอ่ะสาวโยนี่แปลว่าใดผู้ใดย่อมกำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วโยตัวนั้นเนี่ยผู้ใดใดคือใครเช่นภิกษุใดเนี่ยนะจะบวชมาจากขัตติยสกุลก็ตามบวชมาจากพรหมณสกุลก็ตามจะเป็นผู้บวชใหม่ก็ตาม จะเป็นบวชมัชิมะนะนะพรรษาเกินหก็ตามหรือจะเป็นพระเถระบวชเกิน1ิปีแล้วก็ตามอันนั้นเรียกว่าโยผู้ใดนะจะบวชมาจากตระกูลไหนก็ช่างเถอะอุปติตังนะนะได้แก่ความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วที่เป็นไปแล้วที่เป็นไปแล้ ว, เ, ลวเบื้องบนเนี่ยนะอันผู้ใดที่สามารถกำจัดความโกรธเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้มาดูคาว่าความโกรธเนี่ยนะความโกรธที่บังเกิดขึ้น ความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไอ้คำว่ากําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นไอ้ความโกรธที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าพูดถึงอุปปนณะอุปนะอปณะนี่แปลว่าความเกิดขึ้นตรงนี้ยกมาให้ดูตัวอย่างเป็น4ตัวอย่างว่าอุปปณะการเกิดขึ้นมีอยู่4อย่างนะนะอุปนังโหติเนี่ยอุปปณะนี่แปลว่าเกิดขึ้นการเกิดขึ้นมีอยู่4ประเภท1วัตมานุปปนณะสองพุทวาทุกขตุปปณนะสโอกาสตุปปณนะสี่ภูมิรัตทุปปณนะเนี่ยนะ การเกิดขึ้นการเกิดข well? ึ้นทั้งสี่ประการนั้นอย่างเช่นความพร้อมเพียงแห่งความบังเกิดขึ้นเป็นต้นที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดเชื่อวัตมานุปปณะวัตมานุปปณะก็คืออะไรก็อุปาทะนั่นแหละอุปาทะนั่นแหละซึ่งกล่าวไม้เอาว่าทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วทำทั้งหลายที่ไม่เกิดขึ้นทำทั้งหลายที่มีปกติเกิดขึ้นนั้นอุปณะตัวนี้แปลว่าอะไรก็อุปาทะถีติพังคะนั่นแหละที่ที่ลักษณะที่มันเกิดขึ้น การเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายหรือการเกิดขึ้นแห่งสังคตะธรรมทั้งหลายเพราะปกติเนี่ยนะสังขารธรรมก็มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตั้งอยู่เป็นท่ามกลางแล้วก็มีการแตกทําลายเป็นที่สุดเนี่ยนะอันนี้ไอการที่มันเกิดขึ้นลักษณะนี้เรียกว่าวัตตมานุปปนามีความเกิดธรรมทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเนี่ยนะอุปนาธรรมาอนุปนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาเนี่ยนะเขก็มีคำนั้นเนี่ย ทำที่เกิดขึ้นนั่นเองการเกิดขึ้นอันนี้ข้อแรกนะวัตมานุปปณะธรรมสังขตะธรรมเนี่ยนะปกติสังขตะธรรมมีความเกิดขึ้นแน่นอนอลักษณะของเขามีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นอุปปณะคือเกิดขึ้น น, นะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกหรือรูปหรือชีวิตก็ได้ชีวิตของเราก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าวัตมานุปปณะสองอพุทธวาคตปปณะเนี่ยนะคืออะไร คือกุศลและอกุศลกล่าวคือพุทธวาปคตะที่เสวยรสแห่งอารมณ์แล้วดับไปและสังขตะที่เหลือกล่าวคือพุทธวาปคตะที่ไม่ถึงขณะทั้งสามีมอุปาทขณะเป็นต้นแล้วดับไปเชื่อว่าพุทธวาคตุปป น, นะพุทธวาคตุปปนะนี้นั้นพึงเห็นได้ในตัวอย่างคําว่าทิฏฐิที่เป็นบาปเห็นป่านนี้เกิดขึ้นแล้วหรือในพระสูตรเป็นต้นว่าเมื่อสติสัมโพชงเกิดขึ้นแล้วการบําเพ็ญภาวนา ให้บริบูรณ์ก็ย่อมมีได้ฉันใดพุทวาปคตุปันนาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่เหมือนกับวัตามานุ ป, ปันนาวัตมานุ ป, ปันนาก็คือลักษณะที่มันเกิดในปัจจุบันไอพุทวาปคตุ ป, ปันนาก็คือสิ่งที่เคยเกิดแล้วในอดีตเนี่ยนะไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะอย่าลืมว่าอุ ป, ปันนาเนี่ยอธิบายคําว่าเกิดเกิดชนิดใดกําลังสิ่งที่กําลังเกิดหรือว่าสิ่งที่เคยเกิดเป็นต้นนั่นแหละ อย่างเช่นทิฏฐิที่เป็นบาปเห็นป่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปลว่าคนนั้นอะเป็นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาเพิ่งเป็นตอนนี้ใช่ไหมบอกไม่เคยเป็นมาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิมาแล้วส่วนโอกาสกตุปปนะคืออะไรกรรมที่ท่านกล่าวไว้โดยในเป็นต้นว่ากรรมทั้งหลายที่ทําแล้วในการก่อนของเขาเหล่านั้นใดแม้เป็นกรรมที่ล่วงแล้วก็ชื่อว่าโอกาสกตุปปนะ เพราะห้ามวิบากของกรรมอื่นแล้วให้โอกาสแก่วิบากของตนตั้งอยู่และเพราะวิบากที่เป็นไปได้ในโอกาสแล้วอย่างนี้แม้ยังไม่บังเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในเมื่อได้ทําโอกาสแล้วอย่างนี้คือกรรมเนี่ยนะเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันชื่อว่าทํากิจเปิดโอกาสให้ตัวเองในอนาคตเรียบร้อยแล้วเพราะกรรมในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเตรียมเปิดโอกาสให้ วิบากให้ผลเต็มที่พวงเราตอนนี้สวยผลกรรมอยู่ไห ม, ไมเนี่ยลืมตาเห็นเนี่ยก็สวยผลกรรมอยู่หูได้ยินเสียงก็สวยผลกรรมอยู่พันกรรมในอดีตก็เปิดโอกาสเรียบร้อยแล้วเครียกว่าโอกาสสกตุปปันนะมันเปิดโอกาสให้เกิดขึ้นได้จะไปล้อเล่นนะกรรมเนี่ยที่ทำเอาไว้เนี่ยมันสามารถไปแหวกเครียกอะไรนะถึงอยู่ในบรนลังเนี่ยถ้ากรรมมันแหวกมาก็ตัดประหารเอาไปประหารเอาไปพร้อมที่จะ ทุกทวาร น, นั่นแหละเวลากรรมมันเกิดขึ้นมันสามารถเปิดโอกาสให้ให้วิบากเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าโอกาสปตุ ป, ปันณะเนี่ยนะพลังแห่งกรรมเนี่ยยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะเพราะว่ากรรมบางอย่างถ้าถ้ามันหนักจริงๆนะมันไปห้ามกรรมอื่นนะบอกแกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะว่ากันแซงไปเลยยังไง น, นนะแซงคิวได้อะกรรมเนี่ยที่ที่มันมีกำลังมากนี่มันมันรักคิวได้อะ ถึงทําที่หลังแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําข้างหลังมันยิ่งใหญ่กว่าเอาเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเรื่องนี้สําคัญกว่าอย่างเงี้นะคล้ายๆแบบนั้นนะนะกรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ลักษณะนั้นบอกอะไรนะถ้ายิ่งแบบกรรมแบบอะไรนะโลกุตระกรรมด้วยว่าโอ้ยเรื่องอื่นเล็กน้อยอนะโลกุตระให้ผลก่อนอย่างเงี้นะเมื่อไหร่เราจะทํากรรมแบบนั้นให้มันได้ขึ้นบ้างนะนะจะได้อะไรนะปิดเรื่องอื่นเล็กน้อยหมดเอาเรื่องนี้ก่อนอย่างเงี้นะก็ต้องสร้างโครงการให้มันใหญ่โตใหญ่แค่ไหน ระดับมหัคตะระดับอปประมาณนั่นแหละมันจึงจะไปห้ามเรื่องอื่นได้แต่ว่าสรุปว่าถ้าไม่ได้สร้างระดับสูงอย่างนั้นกรรมทุกอย่างมันก็ปิดโอกาสถ้าถ้าตัวไหนมีกำลังก่อนตัวไหนมีกำลังกว่าก็ปิดโอกาสเรื่องอื่นก่อนตัวเองให้ก่อนแล้วแต่ว่าตัวไหนจะมีกำลังมากที่สุดตัวใดมีกำลังมากตัวนั้นก็ให้ผลก่อน ส่วนอากูสนที่ยังถอนไม่ได้ในภูมิทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าภูมิรัพทุบปัญะเรียกว่าเกิดขึ้นมาในภูมิแปลว่าอะไรเกิดขึ้นโดยได้เชื้อผู้ศึกษาพึงทราบความแตกต่างการแห่งภูมินี้และภูมิที่ได้แล้วคือภูมิกับภูมิลรัทุบปัญะเนี่ยนะภูมิคืออะไรภูมิคือขันห้าที่เป็นไปในภูมิสาม ขันห้าที่เป็นไปในภูมิสทั้งการมภูมิรู ป, ปรภูมิและอรู ป, ปรภูมิที่เป็นอารมณ์ของมวิปัสนาชื่อว่าภูมิภูมิก็คือขันห้าที่เป็นไปในภพสามกรรมภพรูปภพอรูปภพชื่อว่าภูมิถามว่าถ้ากิเลสมันจะเกิดมันเกิดที่ไหนมันอาศัยอะไรทีึง่งพื้นเกิดก็อาศัยเกิดตามสมควรแก่ขันห้านั่นแหละเพราะกิเลสทั้งหลายเวลามันเกิดมันก็เกิดโดยอาศัย ขันหขันหเหมือนแผ่นดินกิเลสเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าที่มันงอกบนแผ่นดินเนี่ยนะอุปาทานขัน5มันเป็นที่งอกของกิเลสเหมือนแผ่นดินเป็นที่งอกของพืชฉะนั้นพัน้ายังมีแผ่นดินอยู่เราพูดได้ไ้มว่าจะไม่มีต้นไม้พูดไม่ได้ถ้ายังมี อ, อุปาทานขันอยู่ที่ยังไม่ได้เจริญอริยมรรคเนี่ยนะอยาคิดนะว่ากิเลสจะไม่เกิดเขาเรียกว่าอนุสัยเป็นไ ง, ไง อารมณานุสัยเนยนะเพราะจะเป็นที่ให้กิเลสเกิดเพราะฉะนั้นแลภูมินั้นจึงชื่อว่าภูมิอันได้แล้วชื่อว่าภูมิมิลทะหรือว่าภูมิมิลทุปปณะเนี่ยนะคือกิเลสถ้ามันจะเกิดก็มันเกิดโดยอาศัยภูมิกิเลสนี้เป็นสังขารธรรมใช่ไหมบอกใช่กิเลสเมื่อเป็นสังขารธรรมเนี่ยนะสังขารไหนมั่งที่ไม่เป็นเหตุให้กิเลสเกิดมีไหมสังขารไหนที่ไม่เป็นเหตุให้กิเลสเกิดหายากเว้นไว้แต่สันดานของผ้าอารหันต์ทั้งหลาย สันดานของพาหันทั้งหลายเท่านั้นที่กิเลสไม่เกิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสคนอื่นเป็นอารมณ์แห่งกิเลสคนอื่นเนี่ยนะก็สรุปว่าไม่เอื้เคโลกิยธรรมทั้งหลายนี่ท่านใช้คําว่าสาสวะโตเป็นธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะถ้ายังเนืบเนื่องอยู่ในสังคตาธรรมทั้งหลายก็ยังอยู่ในดินแดนแห่งอาสวะเนี่ยนะอยู่เทียบดินแดนโคจรแห่งอาสวะนั่นเอง ก็ภูมิลัทธานั้นจะเพิงได้ด้วยสามารถแห่งอารมณ์จริงอยู่กิเลส ท, ทั้งหมดย่อมบังเกิดขึ้นปรารบขันทั้งหลายของพระขีนาศพทั้งหลายที่ท่านกําหนดแล้วทั้งๆ ท, ที่ขันของพาหันที่ทําปริญญาเสร็จแล้วขันอันนั้นก็ยังเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสขันเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นขันในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันกิเลสก็เกิดทําให้เป็นอารมณ์แล้วเกิดขึ้นได้โดยอารมณปัจจัยเนี่ยนะ คือสังคตะธรรมทั้งหลายที่เป็นเป็นโลกิยธรรมเนี่ยยังเป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณ์ของกิเลสเพราะให้กิเลสเกิดขึ้นได้ที่ ด, ดูคนอื่นเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้ามีคนนึงโกรธเอาสิใช่ไหมโกรธได้ไหมอา้าวลาบสการะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเดียรตีก็ไม่ชอบเป็นตอนนั้นสรุปว่าในโลกนี้แม้กระทั่งรูปของพระพุทธเจ้าคนอื่นโกรธได้ไหมได้เนี่ยนะก็มีคนโกรธพระพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยเนี่ยนะ จะกล่าวไปยายถึงรูปเราอื่นเล่าว่าไงเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายอุปาทานขันทั้งหลายเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสเช่นแม้กระทั่งรูปของพานางอุบลว น, นาเถรีก็เป็นที่เกิดของกิเลสของนันทมานพนันทมานพจริงก็ลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละ น, น้ะก็ไปมีกิเลสไปขมขืนนางอุบลว น, นาเถรี หรือแม้กระทั่งว่าพระมหากัจยนะก็เป็นอารมณะปัจจัยของเกเรของโสระยะเศรษฐีบุตรนะบุตรเศรษฐีชื่อว่าโสระยะนี่ก็ไปเห็นพระมหากจจยนะเขาบอกโอ้ภรรยาเราน่าจะงามแบบนี้อย่างเี้ไปคิดมาตัวเองเลยกลายเพศเลยแปลงร่างเป็นผู้หญิงไปเลยทน ขันทั้งหลายแม้กระทั่งของพระอระหันต์ก็ยังเป็นอารมณ์ของกิเลสสรุปว่าขันในอดีตก็เป็นอารมณ์ของกิเลสขันในอนาคตก็เป็นอารมณ์ของกิเลสขันปัจจุบันก็เป็นอารมณ์ของกิเลสขึ้นชื่อว่าอุปาทานขันห้าที่จะไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสหาได้ยากจริงๆไม่มีรอกอะไรที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสพระองค์ก็เรียกว่าสิ่งนั้นดีสิใช่ไหมแต่เนื่องจากอุปาทานขันห้าในวัฏฏะในภูมิสาม สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้พไออารมณ์ที่เป็นเป็นที่เกิดของกิเลสเหล่านี้แหละเรียกว่าภูมิรัตตุ ป, ปันณะเนี่ยนะภูมิเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสหรืออุปาทานภูมิเป็นที่อาศัยเกิดของอาสวะทั้งหลายก็ถ้าหากว่าอารมณ์นี้จับเชื่อว่าภูมิรัตทะได้ภูมิแล้วไซใครๆก็ไม่พึงละมูลแห่งพบได้ เพราะเหตุที่อารมณ์นั้นนั้นอันใครๆไม่พึงละได้แต่พึงพึงทราบว่าชื่อว่าภูมิลัทธะก็ด้วยสามารถแห่งวัตถุคือกิเลสเนี่ยนะเพราะนั้นคำว่าไอ้ที่ละเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าไปละตัวขันห้าใช่ไหมถ้าต้องละขันห้5แล้วใครจะละได้จริงไม่มีใครละได้หรอกละไปไหนล่ะมันละได้ไม่จริงแต่ว่าละกิเลสที่เกิดขึ้นโดยอาศัย ขันห้าแล้วทํำยังไงที่จะ ก, กิเลสไม่เกิดขึ้นในขันห้าต่อไปท่านก็ บ, บอกว่าด้วยว่าขันทั้งหลายที่ไม่ได้กําหนดด้วยวิปัสสนาย่อมบังเกิดขึ้นในวัตถุใดๆกิเลส ช, ชาติที่มีวัตตะเป็นมูลก็ย่อมนอนเนื่องในขันเหล่านั้นนับตั้งแต่ได้บังเกิดในวัตถุนั้นๆสรุปว่าสิ่งใดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้สิ่งใดที่เป็นอารมณ์ของกิเลสสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก็เจริญกิเลสก็มีอยู่สองอย่างกันนะคือคืออุปาทานขันห้าถ้าไม่พิจารณาโดยวิปัสสนาก็โคจรไปโดยกิเลสถ้าไม่โคจรโดยกิเลสมันก็โคจรโดยวิปัสสนาพืนดินแดนของวิปัสสนากับดินแดนแห่งกิเลสมันที่เดียวกันนะดินแดนเดียวกันสรุปว่าเราจะเจริญอะไรแค่นั้นแหละ ถ้ายังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์จะให้กิเลสเกิดหรือจะให้วิปัสสนาเกิดก็มันก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยจะเอาอันไหนล่ะเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เอากิเลสไม่เอาวิปัสสนาเอาเฉยเฉยเอาเฉยเฉยมันเฉยแบบวิปัสสนาหรือว่าเฉยแบบกิเลสใช่ไหมเฉยแบบวิปัสสนาก็แบบสังขารุปเปกขายาถ้าเฉยแบบโมหะก็ก็เฉยเหมือนกันนะนะ่